การทำกรรมฐ า, านเนี่ยสามารถจะตั้งปฏิฐานอะไรจะอธิฐานอะไรขึ้นถ้าจิตไม่เป็นกุศลเนี่อธิฐานไม่ขึ้นจับตั้งปฏิฐานให้ลำรวยแค่ไหนมันก็ไม่รวยจริงถ้าจิตท่านมีคุณธรรมมีกุศลอย่างที่สะสมอบรมไว้ในในดวงใจาราบลองตั้งปฏิฐานอันใดให้แน่วแน่ตั้งใจไว้แผ่เมตตาตรงไหนตรงนั้นสาเร็จที่นัน ถ้าท่านจะขายที่ดินท่านมีจิตเป็นกูร์ช้อนแผ่เมตตาให้แม่โทรณีเดี๋ยวพอขายดีขายดีมั่งมีสิสุกมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่แหละอุตส่าห์ตั้งใจทํากับทุกท่านจะรู้กฎแห่งกรรมของท่านเองไม่ใช่คนอื่นบอกเรารู้เองเห็นเองเห็นถ้ถูรู้กับตาท่านจะเข้าใจท่านจะซึ้งใจมากเป็นปัจจตตังขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วย